ถึงสุขและทุกข์คนส่วนใหญ่ก็มองแต่เพียงว่าเออนาพอใจไม่น่าพอใจหรือใช้ความรู้สึกทุกข์ไม่พอใจไม่น่าพอใจสุขน่าพอใจแล้วก็ จ, จะใช้ความรู้สึกต่อไปว่าเนี่ยสุขนี่ก็คลอเคลียรคลุกคล้าส่วนทุกข์ก็ผักใสเรียกว่าใช้ความรู้สึกล้นลวนๆแต่ทีจริงเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้อง สุขและทุกข์ใหถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องใช้ปัญญาซึ่งในเรื่องนี้นะพุทธเจ้าก็ให้แนวทางไว้เป็นแนวทางที่เข้าใจง่ายแล้วก็จริงๆก็น่าจะทำได้ไม่ยากอย่างเช่นเนี่ยข้อปฏิบัติต่อทุกเนี่ยข้อแรกคือว่าอย่าเอาทุก์มาซ้ำเติมหรือทับทน ทับถมตนเมื่อตนไม่ได้เป็นทุกข์ก็ดูนีเห็นมีผลดีนะอย่าเอาทุกข์มาทับถมตนเมื่อตนเองยังไม่เป็นทุกข์ความหมายที่เห็นได้ใช่คือว่าอย่าทรมานตน การทรมานตนเนี่ยนะหรือที่เราเรียกว่าอัตตกิรมาานุโยกเนี่ยมันก็คือการเอาทุกข์มาทับถมตนทั้งที่ก็สุขสบายดีอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังเอาทุกข์มาทับถมตนเช่นยืนขาเดียวเป็นเดือนเดือนเป็นปีปีหรือว่านอนบนตะปูหรือว่าอดทหาร เป็นเดือนเดือนอันนี้เราอเป็นการเอาทุกขมาทับถมตนแต่ที่จริงแล้วเนี่ยความหมายที่ว่านี่มีมากกว่านั้นนะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เอาสิ่งต่างๆมาทำร้ายร่างกายของตน แต่ว่าหาเรื่องมาใส่ตัวทำให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเช่นการผิดศีลนะการผิดศีลเนี่ยนะอาจจะมุ่งหวังประโยชน์ระ ย, ยะสัน้นก็เลยทำให้ทุจริคตคดโกงหรือว่าประพฤติผิดในกรม ผิดประเวณีหรือไปค่าสัตว์ตัดชีวิตแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็คือการหาเรื่องมาใส่ตัวเพราะว่าจะมีความเดือดเนื้อร้อนใจตามมาแะบ่อยครั้งมันก็ไม่ใช่แค่ความเดือดเนื้อร้อนใจนะแต่ยังรวมถึงความเดือดร้อนทางกายด้วยเช่นถูกคนก็ทำร้ายแก้แค้นที่ไป ทำไม่ดีไม่ร้ายนะกับคนรักของเขาหรือไปลักขโมยของของเขาอันนี้ไม่นำนะประเภทว่ากินเหล้านะเมายาแล้วก็ประสบอุบัติเหตุหรือว่ามีเรื่องทะเลาะ บ, บาแ้งกับคนในครอบครัวตบตีกันหรือถึงแม้ไม่มีการกระทําอย่างนั้นแต่ว่าก็เกิดความเจ็บป่วย ตามมาเดีย๋ยวไม่ต้องพูดถึงความเมาหมายที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้เกิดความทุกข์ใจการไม่หาทุกมาซ้ำเติมหรือทับถมตนเนี่ยเราทำได้ง่ายๆโดยการรักษาศีลให้ครบถ้วนแต่ว่าเท่านั้นไม่พอนะเพราะว่า ถ้าเราวางใจไม่ถูกเนี่ยแม้เราจะอยู่ในบ้านที่สบายติดแอแต่จิตใจร้อมรุ่มนะพอไปนึกถึงเหตุการณ์ที่เจ็บปวดปวดร้าวในอดีตการที่เราเอาใจไปหมกบุ่นอยู่กับเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยแล้วเกิดความโกรธ เกิดความครับแค้นเกิดความเศร้าโศกเนี่ยอันนี้ก็เป็นการเอาทุกมาทับถมตนอีกแบบหนึ่งนะบางคนก็บงมุ่นจมอยู่กับเรื่องราวในอดีตจนกระทั่งเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยอนนี้เป็นกันเยอะทั้งที่ก็ชีวิตก็สุขสบาย แต่ว่าจิตใจนี่ร้อนรุ่มและไม่ใช่เฉพาะไปจมอยู่กับอดีตบางทีก็ไปหมกมุ่นถลำอยู่กับภาพอนาคตที่ปลุงแต่งขึ้นมาทําให้เกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลเดี๋ยวนี้ก็เครียดมากวิตกกังวลมากนะจนทําให้เป็นโรคประสาทได้เหมือนกันคิดปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง แต่ว่าคิดไปล่วงหน้าคิดข้ามชอดไปสะละอันนี้เราเรียกว่าเป็นการหาทุกมาทับถมตนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนเราเนี่ยเสียทรัพย์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เสียแต่ทรัพย์นะแต่ว่าใจก็เสียด้วยเพราะว่าเสียดายกลุ่มใจที่ ทรัพย์สินถูกโกงไปเดี๋ยวนี้พวกวิชาชีพวกแกล้ c a l c e n t e นี่มันก็มาหลอกเอาเงินส่วนใหญ่ก็ที่เสียเงินไปก็ไปพลาดท่าเสียทีหรือไปหลงเชื่อก็ทั้งโกรธพวกวิชาย์ชีก็โกรธตัวเองด้วยก็หมองบุนจมอยู่กับเรื่องนี้จนกระทั่ง ไลายเปว่าไม่ใช่แค่เสียทรัพย์แต่ใจก็เสียพอใจเสียมากๆกินไม่ได้น้อยไม่หลับก็สุขภาพก็เสียอีกพอสุขภาพเสียใจเสียทํางานทําการก็ทําไม่ได้เสียงานเสียการอีกบางทีจมอยู่กับความโศกความเศร้าความ สูญเสียจกนกระทั่งไม่สนใจคนที่อยู่รอบตัวเสียลูกไปอีกนะไม่ใช่ว่าลูกตายแต่ว่าเขาก็หลุดจากนะความสนใจของพ่อแม่แล้วก็ออกไปมีเรียกว่าโลกของตัวเอง แล้วก็กลายเป็นภาทาเสียทีใ้การที่คนเราเนี่ยไม่รู้จักถอดใจให้ออกมาจากอดีตหรือปล่อยวางเรื่องราวในอดีตเนี่ยมันก็เป็นการซ้ำเติมตัวเองหรือบางคนก็ไม่ไสูญเสียอะไรเลย ชีวิตก็ปกติราบรื่นดีแต่ว่าก็มันก็คิดถึงเหตุการณ์ในอดีตยังมีอมาาคนหนึ่งเนี่ยอายุก็หกสิบกว่าแล้วเจ็ดสิบแล้วสามีก็ดีลูกก็ดีลูกก็เป็นคนที่ธรรมะธรรมโมบวชพระก็อยากจะบวชไปนานๆแต่ว่าก็ต้อง ศึกมาเพื่อที่จะดูแลพ่อแม่สามีก็ดีฐานะการเงินก็ดีแต่เธอก็สีหน้าเศร้าหมองเพราะว่าใจนี่ไปจมอยู่เรื่องราวในดีสมัยอายุไม่กี่ขวบพ่อแม่ไม่สนใจพ่อแม่ไม่ค่อยรักพ่อแม่ไปใส่ใจกับลูกชายมากกว่าก็เกิดเป็นปม ทั้งที่มันก็ผ่านไปห้าสิบปีแล้วแต่ว่ า, ามารถก็ยังจมอยู่กับเรื่องราวในอดีตเนี่ยทั้งที่มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขนะในยามชาราได้แต่ก็เอาทุกเนี่ยในอดีตมาทับถมตนนี่ที่จริงอันนี้เราไม่พูดถึงประเภทว่าการฝึกตนนะ อย่างทุดดงคขวัตเนี่ยบางคนต้อบอกโอเป็นการทรมานตนแต่ว่าสำหรับจุมุ่งหมาของการฝึกตนเนี่ยอันนี้เนี่ยบางครั้งก็อาจจะต้องไปเจอความยากลำบากบ้างเพื่อฝึกให้มีความอดทนมีชีวิตทีเรียบง่ายอย่างธรรมยาตรายเนี่ยจะพูดไป ก, ก็คือการ นะเดินนั่งเขาหาทุกข์นะแทนที่จะนั่งรถก็เดินแล้วก็เดินกลางแดดอันนี้เนี่ยมันเป็นการฝึกเป็นการฝึกให้มีสติมีสติกียกับการเดินมีสติียกับการรู้เวทนากายเหนื่อยนะแต่ว่าใจไม่เหนื่อยกายร้อนแต่ว่าใจสงบเย็นเนี่ย ในการฝึกแบบนี้เนี่ยบางทีก็ต้องลาบากแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการหาทุกข์มาทับถมตนอย่างที่ผู้เจ้าตรัสนี่แค่ข้อแรกเนี่ยหลายคนก็ทำไม่ได้ละบางที่ก็รู้ว่ามันดีนะแต่ว่าทาไม่ได้เพราะใจเนี่ยมันคอยไปไ ป, ไปหาทุกข์มาใส่ตัวแม้จะมีศีลยิ่งคนที่ไม่มีศีลอย่านี้ก็ยิ่งหนักเข้าไปอีก ข้อที่สองเนี่ยพระเจ้าจัดว่าให้อย่าปฏิเสธสุขที่ชอบทำมันก็ดูดีมีเหตุผลนะแล้วก็น่าจะทำได้ง่ายๆแต่ว่าก็มีบางคนนะปฏิเสธความสุขที่ชอบทำสุขที่ชอบทำนี่ก็หมายถึงว่าสุขความสุขที่หามาได้ด้วยนพักน้ำแรงหรือด้วยวิธีการที่สุดจริตเช่นหาเงินมาได้ ด้วยสัมมาอาชีวะก็นำเงินนั้นมาเลี้ยงตัวให้มีความสุขแต่บางคนเนี่ยมีเงินแล้วก็ไม่ใช้เพราะความตนหีที่เหนียวอย่างในสาวพุทการนี่ก็มีเศรษฐีคนหนึ่งที่ร่ำรวยมากนะแต่ว่าชอบทำตัวให้ลำบากด้วยการเปใส่สุขที่ชอบทำก็คือเสื้อผ้าก็ ใส่แบบใส่เสื้อผ้าแบบปูปะนะกระรุ่มกระริงอาหารข้าวก็กินแต่ปลายข้าวเนะพราะเสียดายเงินเงินที่มีนี่ก็ไม่ได้เอามาใช้เลี้ยงตัวให้มีความสุขที่จริงการเลี้ยงตัวให้มีความสุขนี่ก็เป็นสิ่งที่พทธเจ้าแนะนำนะรู้จักเลี้ยงตัวให้มีความสุข เมื่อมีข้าวก็นะเอาข้าวนั้นมากินมาปรุงเป็นอาหารมีเสื้อผ้า ด, ดีก็สวมใส่เพียงแต่ว่าอย่าให้มันฟุ่มเฟือยอย่าให้มันเกินเลยแต่ว่าคนจำนวนก็มีคนจานวนหนึ่งเนี่ยนะก็มองว่าไอ้ความสุขเป็นสิ่งที่ไม่ดีปฏิเสธความสุขพยายาม ทำตัวให้อยู่อย่างลำบากอันนี้มันก็คล้ายๆการทรมานตนเหมือนกันมีเงินก็ไม่ใช้มีเสื้อผ้าก็ไม่สวมใส่หรือว่ามีอาหารก็ก็ไม่กินนะกินอย่างแร้นแค้นแต่อันนี้เนี่ยก็น้อยคนนะที่ทำเนี่ยเดี๋ยวนี้ แต่มันมีอันหนึ่งที่คนเนี่ยมักจะทําโดยไม่รู้ตัวนะก็คือการมองข้ามความสุขที่ชอบทําความสุขที่ชอบทําเนี่ยจริงเนี่ยมันมันมีอยู่กับเราแทบทุกคนเลยนะแต่เรามักจะมองข้ามเช่นการที่เรามีสุขภาพดีการที่เรากินอิ่มนอนอุ่นเนี่ย มีกินมีใช้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสุขที่ชอบทำแต่ว่าคนจำนวนมากเนี่ยมองข้ามทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพดีแต่ก็ยังน้อยเนื้อต่ำใจว่าเนี่ยฉันเป็นคนโชคร้ายนะไม่มีอย่างง้นไม่มีอย่างนี้ ทั้งที่สุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยทั้งที่มีกินมี ม, มีมีกินมีใช้ก็ยังบ่นว่าฉันเป็นคนโชคร้ายเป็นคนที่มีแต่ความทุกข์เห็นตัวเองเนี่ยเห็นแต่ความทุกข์ของตัวเองนะแต่ว่ามองไม่เห็นว่าเรามีความสุขที่ตรงไหนบ้างอันนี้ว่าเป็นการมองข้ามความสุขที่ชอบทำมีเยอะนะ ความสุขที่เกิดขึ้นกับเราเวลานี้แล้วเป็นความสุขที่ชอบทำไม่ใช่แค่สุขภาพดีนมีกินมีใช้การที่เรายังมีลมหายใจหายใจได้สะดวกนะไม่ติดขัดเหมือนคนป่วยโรคมะเร็งปอดหรือคนที่ป่วยด้วยโควิดเนี่ยนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งต่มีหลายคนก็มองเห็นแต่ว่าเนี่ยฉันเนี่ยโชคร้ายไม่มีรถไม่มีบ้านของตัวเอง นะทั้งที่ตัวเองมีของดีๆหลายอย่างมีรถมีบ้านแต่ว่าเจ็บป่วยเนี่ยจะเอาแบบไหนนะไม่มีรถของตัวเองไม่มีบ้านงตัวเองแต่ว่าเรามีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่ว ย, ยอันนี้ถือว่าเป็นความสุขการมีพ่อมีแม่มีคนรักอยู่รอบข้างแม้แต่าการที่เราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติตื่นเชา้าขึ้นมาเห็น ฟ้าสีทองยามรุ่นรุ่งนี่ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะที่เราสัมผัสได้หรือว่าดอกไม้นะที่เบ่งบานเห็นแล้วก็เกิดความรื่นรมใจแต่หลายคนมองไม่เห็นเพราะว่าใจหมกบุ่นคุนคิดเอาแต่น้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาของตัวเอง พอไม่มีโน่นไม่มีนี่อันนี้ก็ถือว่าสอบตกข้อที่สองนะที่พระเจ้าได้แนะนำเนี่ยว่าให้รู้จักอย่าปฏิเสธความสุขที่ชอบทำอย่ามองข้ามความสุขที่ชอบทำคราวนี้หลายคนเนี่ยก็ขนขควยนะที่จะหาความสุขก็ต้องโรยลึกถึงข้อที่สามี่คือเจ้าตัดเอาไว้นะว่าอย่าสยบมัวเมา ในความสุขแม้จะเป็นสุขที่ชอบทําก็ตามในการเลี้ยงตัวให้มีความสุขนี่ดีนะแต่ผู้เจ้าก็สอนมาให้รู้จักประมาณในความสุขในความสบายด้วยพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธความสุขความสบายนะองศ์ น, นะผู้เจ้าก็สอนให้รู้จักหาความสุขหาความสบายแก่ตัวแต่ให้รู้จักประมาณในความสบาย คนเราเนี่ยไม่รู้จักประมาณในความสบายเพราะว่าสยบมัวเมาหลงติดในความสุขอันนี้คือปัญหาคนสมัยนี้พอมีเงินก็ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายใช้ในการกินการดื่มการเที่ยวเกินประมาณมีเงินก็ซื้ออาหารเลี้ยงตัวให้มีความสุขดีดแล้วแต่ว่าให้ม่รู้จักประมาณเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ย กินกันอย่างหรูหลาฟฟ้ามากหรือว่ากินกันจนกระทั่งร่างกายเนี่ยเจ็บป่วยยังมีเยอะนะความสุขที่ที่ชอบทำที่เราไม่ควรปฏิเสธแต่ว่าก็อย่าอย่าไปหลงโมวเมาสยบไม่ต่างความสุขใจเนี่ยนะความสุขใจเนี่ยอย่างเช่นเวลาเราทำสมาธิเจริญสติมีความสุข มีความสงบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีนะเราไม่ควรปฏิเสธแต่ว่าก็อย่าไปหลงติดนะอย่างที่หลวงพ่อเทียนั่นเตือนหลวงพ่อคําเขียนที่ท่านพูดเมื่อเช้าเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อเขียนบอกเนี่ยเวลามาภาวนาตามคําสอนของหลวงพ่อเทียนแล้วเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งมีความสุขมากเลยหลวงพ่อเทียนก็เตือนว่า อย่าเอาความสุขนะอย่าเความสุขเห็นมันดูมันอย่าเอาความสุขมีความสงบมีดีแล้วอย่าปฏิเสธแต่ว่าอย่าไปยึดคําว่าอย่าไปเอาเนี่ยอย่าเอาความสุขเนี่ยมันก็จะไปยึดนะอย่าเข้าไปเป็นไอ้ความสงบเนี่ยจากการเจริญสติ ทำสมาธิหรือความสงบที่เกิดจากการมีชีวิตที่ถูกถูกต้องถูกทำเนี่ยมันเป็นความสุขที่ชอบทำนะเราไม่ควรปฏิเสธแต่ก็อย่าไปหลงนะอย่าไปไปยึดนะเมื่อมีความสงบก็เห็นมันอย่าเข้าไปเป็นนันะ่นกล้าสึกสุกก็ไม่เอานะ ไม่ใช่ทุกไม่เอาอย่างนี้นสุขก็ไม่เอาด้วยแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธความสุขน ะ, ะความสุขมีเราก็รับรู้แต่ไม่ยึดกินอาหารอร่อยเราก็รู้นะแต่ว่าก็ไม่หลงในความอร่อยแต่บางคนอยากจะฝึกตนนะอาหารอร่อยเนี่ยกลัวว่าจะไปหลงติดในรสชาติอาหารก็อาจจะเติมน่นเติมนี่ให้มันเช่นทำให้มันขม นะอันนี้ถ้าเป็นเรื่องการฝึกตนนี่ก็เป็นเรื่องที่อไม่เสียหายอะไรคือฝึกไม่ให้ยึดติดในในรสชาติอาหารแต่บางคนก็มองว่าเนี่ยในรสชาติอาหารที่อร่อยนี่ไม่ดีนะงั้นต้องทำลายรสชาติมันให้มันขมนะนพุทธศาสนาไม่ได้มองหนึ่งว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเป็นเรื่องการฝึกเนี่ยได้นะแต่ว่า การทำลายรสชาติอาหารเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าอร่อยไม่ดีเนี่ยอันนี้ยังไม่ถูกต้องเมื่อ อ, อร่อยก็รับรู้เหมือนเมื่อกี้พระพุทธเจ้าเนี่ยใครถวายอาหารที่ประณีตจีวรที่ประณีตพระองค์ก็ไม่ปฏิเสธนะพระอาหารทั้งหลายท่านก็ไม่ปฏิเสธนะแต่ว่าท่านไม่ยึดติดใครถวายจีวรประณีตมาก็รับแต่ไม่ยึด ไม่หลงเพลินในความสุขจากสิ่งที่ถวายไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ประนีตหรือว่าเสื้อผ้าจีวรที่ประนีตอันนี้คือสิ่งที่ทำได้ยากนะเพราะว่าคนเราเนี่ยพอได้ความสุขแล้วอย่าว่าแต่การมาสุขหรือความสุขจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเลยแม้แต่ความสุขใจเนี่ยก็หลงยึดติด อันนี้คือเหตุผลที่หลวงพ่อหลวงปู่เทียนเนี่ยเวลาปฏิบัติท่านคือก็เลยพยายามที่จะไม่สร้างเหตุปัจจัยให้เกิดความสงบได้มากนักเช่นแทนที่ปิดตาก็เปิดตาเพราะว่ากลัวคนติดสงบแต่แม้จะเปิดตายกมือเคลื่อนไหวเดินไปเดินมาพอทําจุดหนึ่งก็สงบนะถ้าหากว่าการปฏิบัติยังอยู่ในระดับสมถะ แต่ท่านก็จะสอว่าเนี่ยสงบก็รู้นะแต่จะไปเอาเช่นเดียวกันแม่สงบก็รู้นะตรงนี้ถ้าไม่มีสติมันทำได้ยากนะที่จริงเนี่ยสติเนี่ยมันสำคัญกับทั้งสามข้อเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่มีสติเนี่ยแม้ว่าจะอยู่สบายแต่ว่าใจามันก็จะไปหวนนึกถึงอดีตที่เจ็บปวด แต่ถ้าหาว่าเรามีสติเนี่ยก็ทําให้ใจเนี่ยมันรู้จักอดีตกรรมไอยู่กับปัจจุบันกรรอยู่กับปัจจุบันก็รับรู้ถึงความสุขที่มีในปัจจุบันแต่ว่าเมื่อรับรู้แล้วก็ไม่หลงนะไม่หลงไม่สยบไม่โวเมาอันนี้ลองใส่สติเหมือนกันนะสติมันทําให้ไม่เอาไม่ยึดน่าจะเป็นสุข ในเช่นเดียวกันเนี่ยถ้าว่าเราไม่มีสติเนี่ยไอการที่เราจะยอมรับหรือเห็นความสุขที่ชอบทำเนี่ยมันก็ยากเนี่ยคนที่ปฏิเสธความสุขที่ชอบทำคนที่มองข้ามความสุขที่ชอบทำเนี่ยก็เพราะว่าขาดสติไปเห็นแต่สิ่งร้ายๆก็เลยรู้สึกว่าชีวิตนี่มันแย่ มองไม่เห็นสิ่งดีๆที่เรามีซึ่งทําให้เรามีความสุขแต่มันช่วยทําให้เราไม่มองข้ามความสุขที่ชอบทำแม้ถ้าเรามีมสมาธิเนี่ยนะแม้จะมีรูปรถเกีิ่นเสียงสมบัิที่พอใจเราก็ไม่ปฏิเสธนะไม่ผักใสแต่ก็ไม่หลงไหลนะมันทําให้เราจิตเนี่ยอยู่ในพอใจที่เป็น ทางสายกลางคือไม่ผักสายแล้วก็ไม่ลหลงไหลหรือไม่ไหลาตามเมื่อเป็นทุกข์ก็ไม่ผักสนะเมื่อเป็นสุขก็ไม่ได้หลงไหลหรือไหลาตามไม่เสียบ ม, ม, ม, มัวเมาแล้วย่าข้อที่สี่เนี่ยที่พระเจ้าตัดว่าเนี่ยให้รู้จักขจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไปการที่เควรเราจะขจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไปได้ในประการแรกก็ต้องรู้ก่อนว่า เหตุแห่งทุกข์คืออะไรคนส่วนใหญ่เวลามีความทุกข์ใจเนี่ยก็มักจะมอว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันอยู่ข้างนนอกอยู่ที่คนนั้นคนนี้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศหรือว่าอยู่ที่ร่างกายเช่นความเจ็บความป่วยความแก่ ยิ่งความแก่เนี่ยมันก็ไม่เป็นเหตุแห่งทุกข์นะแม้ว่าคนแก่หลายคนเนี่ยพอแก่แล้วเนี่ยจะมีความทุกข์ทุกข์กายแล้วก็ทุกข์ใจแต่จริงเนี่ยความแก่ไม่ได้เป็นเหตุแห่งทุกข์นะไอความที่หลงยึดในความหนุ่มความสาวนะหรือหลงยึดในร่างกายีนต่างหาที่มันเป็นเหตุแห่งทุกขนะ์ยึดว่ามันดีว่ามันสวยว่ามันหนุ่มแต่พอมันแก่มันเสื่อมไปก็เลย เสียใจผิดหวังทับแค้นเลยเป็นทุกข์ขึ้นมาความทุกข์กายเนี่ยจะมีสาเหตุจากสิ่งโน้นสิ่งนี้เช่นนิฟ้าอากาศหรือว่าสัตว์มแมลงแต่ทุกข์ใจเนี่ยเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละใจที่วางไว้ผิดใจยึดติดถือมัน่นเดี๋ยวพอยึดติดถือมั่นในขันห้าเป็นเพราะยึดติดถือมั่นถือมันในขันห้าไม่ว่าจะเป็นขันห้าที่หลงคิดว่าเป็นเรา หรือขันท่าที่หลงเชื่อเป็นของเราเช่นลูกของเราคนรักของเราพอเขาจากไปก็เสียใจก็คร่่มครวญไปทุบไปคิดว่าเศร้าโศกเพราะการจากไปของเขาแต่จริงไม่ใช่หรอกนะที่เศร้าโศกจะเป็นทุบไปพยึดนะในในคนหลานเนาเป็นของเราเราต้องลดน้ำยึดว่าเที่ยงเดือย ถ้าไม่ยึอดว่ัตถิยงไม่ยึดเป็นของเราเนี่ยแม้เขาจะจากไปก็ไม่ได้เสียใจนะไม่ได้โศกเศร้าคร่ำครวญอะไรการทเรจอใจเห็นแห่งทูแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องมีสตินะเพราะสติเป็นตาในที่ทําให้เห็นกายเห็นใจเห็นความจริงของรูปเห็นความจริงของนามอย่างที่หลวงพ่อเทียนบอกว่าเนี่ยถ้าเรามีเจริญสติดีก็จะรู้ว่า ไอ้ทุกเนี่ยไม่ใช่เราทุกนั่นแต่เป็นรูปที่ทุกนามที่ทุกและที่รูปทุกโดยเพราะนามทุกเนี่ยเพราะความยึดติดถือมั่นถ้เราไม่เห็นความจริงหรือสัจธรรมที่แดงออกมาที่กายที่ใจที่รูปกับนามเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะเห็นเหตุแห่งทุกได้อย่างแท้จริงเมื่อไม่รู้เมื่อไม่รู้ไม่เห็นเหตุแห่งทุก มันจะกระจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไปได้อย่างไรเพราะเนี่ยที่คำแนะนํา4ประการวุฒิเจ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม่หาทุกข์มาทับถมตนไม่ปฏิเสธความสุขที่ชอบธทำหรือไม่มองข้ามความสุขที่ชอบธทำไม่สยบมัวเมาในความสุขนั้ะหรือไม่ยึดติดในความสุขแม้ชอบทำก็ตามรวมทั้งรู้จัก ขจัดเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันต้องใช้สติเนี่ยเป็นเป็นตัวนำเลยนะเพราะถ้าไม่มีสติเป็นตัวนำเนี่ยที่พู้เจ้าแนะนำมาสประการเนี่ยแม้เราจะเห็นว่าดีแต่ก็ทำไม่ได้มันก็ไม่รู้เนือ้อรู้ตัวมันก็หลงไปตามอารมณ์หลงไปตามกิเลสนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องสุขและทุกข์ให้ดีร่วาปฏิบัต กับทุกอย่างไรปฏิบัติกับสุขอย่างไรถูกต้องเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเนี่ยสตินี้สำคัญมากและมันจะทำให้เราสามารถปฏิบัติกับสุขและทุกได้อย่างถูกต้องโดยเพราะถึงที่สุดแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ทุกไม่เอาอย่างเดียนะสุขก็ไม่เอาด้วยเรียกว่าอยู่เหนือสุขอยู่เหนือทุกเลยทีเดียวนั่นแหละคือนสิ่งที่จะพาให้จิตใจเป็นอิสระอย่างแท้จริง